ข้อความในคุตกานิกายอิติวุตกะสุดสุดท้ายของเล่มนะครับสุดสุดท้ายของอิติวุตกะเลยนะว่าด้วยโลกสูตรนะครับก็ยังอธิบายเกี่ยวกับพุทธคุณนะครับในข้อ293จริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตรัสแล้ว เพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพระตถาคตตรัสรู้โลกแล้วรากแล้วจากโลกตรัสรู้เหตุเกิดโลกแล้วละเหตุเกิดโลกได้แล้วตรัสรู้ความดับแห่งโลกแล้วทำให้แจ้งความดับโลกแล้วตรัสรู้ปฏิปทาเครื่องให้ถึงความดับแห่งโลกแล้ว เจริญปฏิปทาเครื่องให้ถึงความดับแห่งโลกแล้วรังนั้นก็สงเคราะห์โลกลงอริยสัตว์นั่นเองนะครับก็คือโลกโลกสมุทัยโลกนิโรธแล้วก็โลกนิโรธคามินีปฏิปทาโลกนั้นพระองค์พรากแล้วนะครับโลกกับสมุทัยพระองค์ก็ละเหตุแล้วโลกกันิโรธก็ทําให้แจ้งแล้วโลกนิโรธคารมินีปฏิปทาก็ภาวนาอย่างบริบูรณ์แล้ว ดูการพิสูจทั้งหลายสิ่งใดที่โลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกที่หมูสัตวพร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เห็นแล้วฟังมาแล้วทราบแล้วรู้แจ้งแล้วถึงแล้วสแสวงหาแล้วใคร่ครวญแล้วด้วยใจเพราะสิ่งนั้นพระตถาคตตรัสรู้แล้วฉะนั้นบัณฑิตจึงกล่าวว่าพระตถาคตนะครับ ในชั้นต้นพระองค์ก็บอกว่าพระองค์นี้แทงตลอดโลกนะครับโลกกษุตริยไทยโลกนิโรธโลกนิโรธคามินีปฏิปทาพร้อมทั้งกิจเบ็ดเสร็จนะครับหลังจากนั้นก็สิ่งใดที่โลกทั้งหมดรู้เห็นเนี่ยนะครับนะสิ่งใดก็ตามที่เป็นอารมณ์ของจิตของสัตว์ทั้งหลายหรือว่าสัตว์ทั้งหลายรับรู้สิ่งใดเนี่ยนะครับทุกทวารทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะา ก, การ3ามเยนะอดีตอนาคตและปัจจุบัน สิ่งทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยนะครับพระพุทธเจ้ารู้แล้วสิ่งที่โลกไม่รู้พระ อ, องค์ก็รู้อีกนะครับอย่างเช่นพระนิพพานโดยทั่วๆไปแล้วสัตว์โลกไม่รู้พระ อ, องค์ก็รู้นะครับโลกุตระธรรมทั้งหลายที่สัตว์ไม่รู้พระ อ, องค์ก็รู้นะครับเพราะฉะนั้นบัณฑิต จ, จึงกล่าวว่าพระตถาคตดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายพระตถาคตย่อมตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในราตรีใด และย่อมปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุในราตรีใดนะครับย่อมตรัสบอกนะครับคือในระหว่างนี้นะย่อมตรัสบอกแสดงซึ่งพุทธพจน์อันใดในระหว่างนี้พระพุทธพจน์นั้นแม้ทั้งหมดย่อมเป็นอย่างนั้นนั่นแหลไม่เป็นอย่างอื่นฉะนั้นบัณฑิตจึงกล่าวว่าพระตถาคตนะครับก็คือพูดถึงพระธรรมบ้างนะครับว่า พระธรรมคำสอนที่พระองค์ได้ทรงตรัสในระยะเวลา45พระพรรษาในระหว่างนี้นะครับเป็นคําที่เที่ยงแท้แน่นอนนะครับไม่ต้องตัดออกและไม่ต้องเพิ่มเข้านะดูการพิสูจนทั้งหลายพระตถาคตตรัสอย่างใดทําอย่างนั้นทําอย่างใดก็ตรัสอย่างนั้นเพราะเหตุดังนั้นบัณฑิตจึงกล่าวว่าพระตถาคตนะครับเป็นผู้ทําอย่างที่พูดพูดอย่างที่ทําเนี่ยนะ ดูกรพิสูจนทั้งหลายพระตถาคตทรงครอบงำโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณนะพรามเทวดาและมนุษย์อันใครๆครอบงำไม่ได้นะครับทรงเห็นโดยท่องแท้อย่างอำนาจให้เป็นไปเพราะเหตุ น, นั้นบัณฑิตจึงกล่าวว่าพระตถาคตนะครับตรงนี้ก็คืออธิบายศั์ว่าต ถ, ถ, ถาคตโดย เป็นพุทธคดเองนะครับซึ่งพระองค์ได้ตรัสเองเลยนะความหมายของตถาคตโดยนิยต่างๆนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้โลกทั้งหมดในโลกทั้งปวงด้วยพระปัญญาอันยิ่งตามความเป็นจริงทรงพรากแล้วจากโลกทั้งหมด ไม่มีผู้เปรียบในโลกทั้งปวงเป็นนักปราดทรงครอบงำมารทั้งหมดสังขารทั้งหมดทรงปลดเปลื้องกิเลสเครื่องร้อยรัดได้หมดนะครับความสงบอย่างยิ่งนะครับคือนิพพานซึ่งไม่มีภัยแต่ที่ไหนๆพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ทรงถูกต้องแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ทรงมีอาสวะสิ้นแล้วไม่ทรงมีทุกข์ ทรงตัดความสงสัยได้แล้วทรงถึงความสิ้นไปแห่งกรรมทั้งหมดทรงน้อมไปแล้วในธรรมะเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นชื่อว่าเป็นสีหาผู้ยอดเยี่ยมทรงประกาศพรมาจากแก่โลกพร้อมทั้งเทวโลกเพราะเหตุดังนั้นเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พูดถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะย่อมมาประชุมกันนอบน้อมนมัสการพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระคุณใหญ่ผู้ปราศจากความขั้นครามบรรดาบุคคลผู้ฝึกหัดอยู่พระพุทธเจ้าผู้ทรงฝึกแล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุดนะครับผู้ที่ได้รับการฝึกเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะพระพุทธเจ้านี่ฝึกแล้วเลิศกว่าคนทั้งหมด บรรดาบุคคลผู้สงบแล้วพระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณผู้สงบแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดบรรดาบุคคลผู้พ้นอยู่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้พ้นแล้วเป็นผู้เลิศบรรดาบุคคลผู้ข้ามอยู่พระพุทธเจ้าผู้ทรงข้ามพ้นแล้วเป็นผู้ประเสริฐเพราะเหตุนั้นแลเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ผู้มีพระคุณใหญ่ ผู้ปราศจากความครั่งคล้ามด้วยคิดว่าบุคคลผู้เปรียบด้วยพระองค์ย่อมไม่มีในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเนื้อความแม้นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วเชนี้นแหละนะครับเป็นสูตรสุดท้ายนะเป็นสูตรที่นับว่าประทับใจมากนะครับเพราะยกย่องคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเป็นสูตรที่ขยายศรัทธานะครับทําให้มีศรัทธา ในคุณของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรามากขึ้นนะครับทําให้เห็นชัดว่าเออพระ อ, องค์นี้ทรงมีคุณธรรมอย่างไรแรกเริ่มเรียนคัมภีอิติวุตกะนะครับข้อความในอารัมพะคถาเป็นต้นโดยมากก็เป็นพุทธคุณนะครับเนี่ยนะสูตรแรกเลยนะก็ขยายพุทธคุณโดยเฉพาะบทว่าพักวานะครับอย่างมากกลางกลางเล่มกลางๆเรื่องก็ขยายพุทธคุณว่าตถาคตนะครับ มาสูสุดท้ายเรียกว่าโลก ส, สูตรก็เน้นคุณของพระตถาคตอีกนะครับเพราะฉะนั้นเหล่านี้นะครับพระสูตรทั้งหลายเหล่านี้ก็เน้นพุทธคุณสัส่วนใหญ่นะครับข้อความในอภิคถาปรมัตถีปณีนะครับอธิบายว่าบทว่าโลโกโลโกขยายพุทธพจน์ที่ว่าพระธถามโค ต, ตรัสรู้โลกแล้วนะครับพรากจากโลกแล้วนะตรัสรู้เหตุเกิดโลกแล้วละเหตุเกิดโลกได้แล้ว ตรัสรู้ความดับแห่งโลกแล้วทําให้แจ้งซึ่งความดับโลกแล้วตรัสรู้ปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งโลกแล้วเจริญปฏิปทาเครื่องให้ถึงความดับแห่งโลกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อธิบายขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าโลกกิจกิจที่ที่ทำกับโลกเนี่ยนะโดยธรรมดาแล้วก็เรียกว่าปริญญาากิจนะครับกิจคือการกําหนดรู้โลกนั่นเอง แต่ตรงนี้พระองค์ใช้คําว่าพรากนะครับพรากจากโลกนะแสดงว่ากําหนดรู้อย่างบริบูรณ์นะครับจึงจะพรากจ า, ากโลกได้ส่วนโลกกัสมุทัยนะครับก็คือเหตุเกิดเนี่ยต้องละนะครับประหานะปะหันกิจนะครับพระองค์ก็ทํากิจคือการละได้เรียบร้อยนะครับส่วนโลกกันิโรธนะครับโลกกันิโรธนี้พระองค์ก็ทําให้แจ้งนะครับโดยสัจจิกิริยาและก็โลกาณิโรธคารมินีปฏิปทาอันนี้ต้องภาวนานะครับ เพราะฉะนั้นจากบทความอันนี้ก็เท่ากับประกาศธรรมจักรนะครับธรรมจักรอันยอดเยี่ยมนะครับคนละสำนวนในธรรมจักเท่านั้นเองนะครับเพราะข้อความในธรรมจักพงษ์งก็ตรัส บ, บอกว่าจากขู่ปัญญาวิชาแสงสว่างที่ทําให้รู้ว่านี้ทุกนะครับจากขู่ปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นรู้ว่าทุกควรกําหนดรู้นะครับจากขู่ปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นว่าทุกเนี่ยพงษ์ได้กาหนดรู้แล้วนะครับ จักสุปัญญาวิชาแสงสว่างก้อนี้ทุกขสมุทัยทุกขสมุทัยควรละนะทุกขสมุทัยพระองค์ละหมดแล้วนะครับจักขุปัญญาวิชาแสงสว่างวันนี้โลกกนิโรธโลกกนิโรธนั้นควรทําให้แจ้งโลกกนิโรธนั้นพระองค์ก็ทําให้แจ้งแล้วนะจกักขุปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้ววันนี้ทุกข์นิโรธาคามินีปฏิปทาเพราะงั้นทุกข์นิโรธาคามินีปฏิปทานั้นทรงเจริญแล้ว ถ้าเจงโลกะนิโรธคาไมนีปฏิปทาหรือทุกขนิโรธคามมนีปฏิปทานั้นกิต้องเจริ์นะต้องภาวนาขึ้นเนี่ยนะก็เรียกว่าประมวลธรรมจักมาก็ได้นะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นขยายคําว่าโลกถ้าธรรมจักใช้คําว่าทุกใช่ไหมครับทีนี้ใช้คําว่าโลกนะครับคําว่าโลกกับคำว่าทุกไม่ต่างกันหรือสกายะนะครับอุปธิเนี่ยนะคำเหล่านี้ก็ไม่มีอาาัธไม่ต่างกันนะครับ บทว่าโลกนะครับความว่าชื่อว่าโลกเพราะหมายความว่าย่อยยับไปแตกผักพังไป น, น, นะนะหมายความว่ามันย่อยยับไปแตกหักพังไปนะโดยเนื้อความก็ได้แก่อริยสัจสองข้อต้นในที่นี้เพิ่งทราบว่าได้แก่ทุกขาริยสัจนะโดยปกติทั่วไปนะถ้าใช้คําว่าโลกนั้นอัดได้อริยสัจสองคือทุกข์กับสมุ ท, ทยัยแต่ในที่นี้เน้นที่ทุกขาริยสัจเพราะว่าอริยสัจข้อหลังก็เป็นโลกกับสมุ ท, ทยัยใช่ไหมครับ โลกนี้นั้นได้กล่าวไว้แล้วในหนหลังทั้งโดยจำแนกออกไปและโดยสรุปว่าสัตวโลกสังขารโลกและอกาสโลกนี้คืออธิบายไปแล้วนะครับที่ว่าโลกนั้นแบ่งออกเป็นสามนะคือสัตวโลกสังขารโลกและอกาสโลกนะครับส่วนโลกในยะนั้นก็กล่าวไปอีกอย่างหนึ่งนะครับโลกมีมากอย่างด้วยสามารถแห่งขันทะโลกเป็นต้นถามว่าโลกคืออะไรโลกคือขันทะโลกนะครับ ธาตุโลกอายตนะโลกอันนี้ขยายตามปฏิสัมพิธามักนะครับหรือว่าวิปปติภาวะโลกอันนี้หมายถึงอบายสนะครับหมายถึงอบายสเรียกว่าวิปปติภวะโลกวิปปติสัมภาวะโลกหมายถึงว่ากรรมที่นําไปสู่อบายสีเรียกว่าวิปตววปติสัมภวะโล ก, กสัมปติโลกนะครับหมายถึงสุขติทั้งหมดนะครับสัมปติสัมภวะโลกอันนี้หมายถึงกรรมที่เป็นเหตุให้มาถึงสุขติ สุคตินะครับอันนี้ขยายตามอัตคาถาในอินเดียโปรปริยติยานะครับแล้วก็โลกเหล่านั้นเนี่ยมาขยายเป็นโลกหนึ่งนะครับโลกหนึ่งคือสเพสตาหารติทิกานะครับสัตว์ทั้งมวลดํารงอยู่ด้วยอาหารคําว่าสัตว์ตรงนี้เป็นชื่อของสังขารคําว่าอาหารเป็นชื่อของปัจจัยนะครับโลกสองคือนามกับรูปนะี่ ต้องไม่ลืมอัฏฐะคำว่าโลกใช่ไหมครับคือย่อยยับไปแล้วก็หักไปหักพังไปเพราะฉะนั้นไอสัตว์ทั้งปวงดํารงอยู่ด้วยอาหารหรือว่าสังขารทั้งหมดดารงอยู่ด้วยปัจจัยนี้ก็เป็นชื่อของสิ่งที่ย่อยยับไปหักพังไปอยู่แล้วนามกับรูปก็เป็นสิ่งที่ย่อยยับไปแล้วก็หักพังไปเหมือนกันเพราะว่าโลก2คือนามกับรูปเพราะฉะนั้นโลกสาคือเวทนาสามก็เป็นสิ่งที่จะต้องย่อยยับไปแล้วก็หักพังไป เขาบอกว่าโลก3เนี่ยนะครับคือเวทนา3ถ้าพูดเวทนาเนี่ยนะครับสำนวนว่าบางคนเนียินดีในสุขเวทนาเนี่ยนะครับสุขเวทนาเนี่ยเกิดจากปัจจัยคือผัสสะใช่ไหมครับเวทนาเนี่ยเกิดจากปัจจัยคือผัสสะแล้วผัสสะล่ะผัสสะก็เกิดจากปัจจัยคือความประชุมของธรรมสามประการคือวัตถุวิญญาณและอารมณ์ทีนี้าบางคนก็สําคัญมั่นหมายว่าสุขเวทนาอันนั้นเนี่ยมันของเที่ยงใช่ไหมครับ เพราะไม่ได้ทําการกําหนดรู้เหมือนกับคนที่ไม่ได้ทําการพิจารณาว่าต้นไม้เนี่ยนะมีรากก็ไม่เที่ยงลําต้นก็ไม่เที่ยงกิ่งใบก็ไม่เที่ยงแล้วเงาของต้นไม้เนี่ยจากเที่ยงมาจากไหนใช่ไหมครับรถ้าหากว่าไม่พิจารณาให้ละเอียดถีท่วนก็จะสําคัญผิดไปเพราะฉะนั้นเวทนาก็เหมือนกับเงาของต้นไม้นะครับไม่ไม่ตา่างกันแต่ถ้าหมั่นพิจารณาโดยความว่ารากก e ็ไม่เที่ยงลําต้นก็ไม่เที่ยงกิ่งใบก็ไม่เที่ยง แล้วเงาที่ร่มเย็นเหล่านี้จะเที่ยงได้อย่างไรเพราะฉะนั้นสุขเวทนาทั้งหลายก็เกิดจากปัจจัยเพราะฉะนั้นเวลาที่สุขเวทนาเกิดขึ้นก็ควรนึกถึงอัตถะของ ข, องของมมโลกไว้ด้วยนะครับว่าย่อหยับไปพังไปเพราะัความสุขนี้ก็ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองจะสุขมากสุขน้อยนะอีกระยะหนึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกับความฝันนะครับอย่างเวลานี้ขณะนี้นะครับถ้าอีกสามปีข้างหน้านะครับคิดถึงวันนี้วันนี้เหมือนความฝันนะครับ ยิ่งถ้าอีกสิปีแล้วมานึกถึงวันนี้ใหม่ก็เเหมือนฝันนะครับหรืออีกยี่สิปีสาสิปีนะถ้ามีอายุอยู่ไปถึงเนียเ่ย้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็เหมือนความฝันเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถึงจะสุขจะทุกข์เนี่ยนะมันก็คือโลกมันก็ต้องย่อยยับผุพังไปธรรมดานั่นแหละโลกสี่คืออาหารสี่นะครับสิ่งที่จะต้องย่อยยับไปแตกหักพังไปคืออาหารทั้งสี่กับพลิงกราหารนะครับนํามาซึ่ง ร, รูปมีโอชาเป็นที่แปลหรือนำมาซึ่งอวินิพุครูปนะสรุปแล้วก็ร่างกายทั้งหมดนี่แหละครับอาศัยกับพลิงกราหานี่อยู่เพราสิ่งที่อาศัยกับพลิงกราหารอันนี้ก็ต้องพังไปแม้กระทั่งเวทนาที่เกิดจากผัสสะหารนะครับอันนี้ก็ต้องแตกดับพังไปนามรูปที่มีวิญญาณอาหานี่นะครับเป็นปัจจัยนามรูปเหล่านี้ก็ต้องแตกดับพังไปส่วน พบสามที่มีมโนสันเจตนาอาหารเป็นปัจจัยนะครับพบสามที่มีมโนสันเจตนาอาหารเป็นปัจจัยอันนี้ก็ต้องย่อยยับแล้วก็พังไปอีกนั่นแะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นวินิโพครูปทั้งหลายนะครับรูปทั้งหลายที่มีอาหารเป็นสมุทรานเวทนาที่มีผัสสะเป็นปัจจัยนามรูปที่มีวิญญาณเป็นปัจจัยพบสามที่มีมโนสันเจตนาอาหารเป็นปัจจัยสิ่งเหล่านั้นก็ย่อยยับแล้วก็แตกหักพังไปหมดอยู่ดี แล้วก็โลก5นะครับสิ่งที่จะต้องย่อยยับหักพังไป5อย่างนะคืออุปาทานขันห้าเพราะฉะนั้นนี้เน้นโลกิยะธรรมทั้งหมดนะครับได้แก่อะไรบ้างครับรูปอุปาทานขันขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปโดยเฉพาะตาหูจมูกลิ้นกายนะครับนะชีวิตรูปภาวะรูปทั้งหลายนะครับรูปที่อาศัยสิ่งเหล่านี้ข้างอย่างเรียกว่าสีกลิ่นรสนะครับรูปที่เป็นประธานของสิ่งเหล่านี้เรียกว่ามหาภูตรูปนะครับก็เกือบครบยี่แล้วใช่ไหม เนี่ยนะภาวะรูปชีวิตรูปเป็นต้นเนี่ยนะพ mm hmm. ันอารูปทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับ mm hmm. เกิดเรียกว่าโลกใช่ไหมครับ mm hmm. เกิดจากตัณหาและอุปาทานเนี่ยนะรูปเหล่านี้เกิดจากตัณหาและอุปาทานในปางก่อนแล้วก็อาศัยรูปเหล่านี้มามีขึ้นเพื่อให้มีตัณหาอุปาทานเพื่อที่จะสร้างรูปอันใหม่ขึ้นนะครับ mm hmm. ในอนาคตต่อไปเพราะฉะนั้นนะรูปเหล่านี้ก็ผุพังไปนะครับ รูปที่มีในอดีตก็พังไปหมดแล้วในอดีต ร, รูปที่จะมีในอนาคตก็จะพังในอนาคตนั่นแหละรูปที่มีอยู่ในปัจจุบันก็จะพังอยู่ในปัจจุบันนี่แหละครับไม่เดิเลยกันไปหรอกนะครับมันแตกหักพังไปอยู่นั่นแหละทีนี้อาศัยรูปเนี่ยก่อให้เกิดเวทนานะครับเกิดโลกอย่างนึงที่เรียกว่าเวทนานะครับระหว่างตากับสีเนี่ยครับสิ่งที่ปรากฏเด่นชัดก็คือเวทนาที่เกิดทางตาหูกับเสียงนะครับสิ่งที่ปรากฏชัดก็คือความรู้สึกทางหูใช่ไหมครับ จมูกกับกลิ่นก็ก่อให้เกิดความรู้สึกทางจมูกนะโดยเฉพาะเวทนาเนี่ยเด่นชัดมากนะครับทางลิ้นก็เหมือนกันให้ความรู้สึกที่เด่นชัดทาง ก, กายนี่นะครับเช่นอากาศเย็นเนี่ยนะอากาศเย็นหรืออากาศร้อนก็ให้ความรู้สึกที่เด่นชัดทางกายแม้แต่เรื่องราวที่คิดเพราะฉะนั้นเวทนาขันพระองค์จึงแสดงที่สองรองจากรูปประขันนะครับความหยาบเนี่ยรองจากรูปเท่านั้นเองอันเวทนาจึงเห็นชัดนะครับเพราะฉะนั้นเวทนาเนี่ยนะอาศัยเกิด แต่ละทวานแต่ละทวาร เ, เวทนาเหล่านั้นก็ไม่ได้มีความมั่นคงคงทนอะไรเลยมันก็ต้องย่อยยับแล้วก็พังไปเมื่อรูปมันพังแล้วเวทนาจะาอยู่ได้อย่างไรใช่ไหมครับทีนี้อาศัยรูปแล้วก็ให้เกิดเวทนาสัญญาก็อาศัยเวทนานั่นแหละเป็นไปเมื่อบุคคลสวยความรู้สึกสิ่งใดก็สําคัญหมายกับสิ่งนั้นปรุงแต่งในสิ่งนั้นนะครับนี่แหะปรุงแต่งในสิ่งนั้น เพราะฉะนั้นความสำคัญหมายก็อาศัยจากความรู้สึกนั่นแหละเมื่อรู้สำคัญหมายในทางตาเป็นรูปสีเขียวสีเหลืองสีดําสีแดงเป็นต้นเนี่ยนะหรือว่าทางหูเสียงทุ้มเสียงแหลมถ้าทางจมูกก็กลิ่นแบบนี้เรียกว่ากลิ่นหอมกลิ่นเหม็นเป็นต้นหรือสำคัญหมายทางลิ้นว่ารสเปรี้ยวรสหวานรสมันรสเค็มหรือว่าทางกายนี่เรียกว่าเย็นเย็นมากเย็นน้อยเย็นจากโน่นเย็นจากนี่หรือแม้กระทั่งเรื่องราวทั้งหลายแหละนี่นะครับที่นึกคิดก็อาศัยสัญญาขัน ที่สัญญาคันนั้นเกิดต่อจากเวทนาคันนะเพราะฉะนั้นเมื่อรู้สึกกับสิ่งใดก็จะสําคัญหมายในสิ่งนั้นนะครับสัญญาตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับสมุดฐานแห่งความไข่ตันหาทั้งหลายก็จะอาศัยสิ่งเหล่านี้เกิดเขาเรียกว่าปะปั่นจะสัญญานะครับสัญญาที่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าเพราะว่าสัญญาเหล่านี้ก่อให้เกิดตันหามานะและทิฏิต่อจากอาศัยสัญญาเหล่านั้นนะครับขากล่าวครับเอ่อเวทนาเนี่ย เราจะรู้เวทนาได้อย่างไรหมายถึงว่าเราจะเจริญสติปัฏฐานสี่ในเวทนาถ้าเจริญตามเวทนานุปัสสนาก็ต้องถ้าเอาแบบรคร่าวๆก็คือเมื่อสวยสุขก็มีแต่สุขอย่างเรยวไม่มีทุกข์และไม่มีอุเบขานะครับถ้าสวยทุกขเวทนาก็มีแต่ทุกขล้วนๆไม่มีอุเบขาไม่มีสุขเวทนานะครับถ้ามีถ้าเกิดอุเบขาก็มีแต่อุเบขาล้วนๆ โดยที่ไม่มีสุขไม่มีทุกเนี่ยอย่างหนึ่งทีนี้ถ้าแยกละเอียดไปอีกว่าสุขอันนี้เกิดจากอะไรนะครับเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสใช่ไหมนะครับเอ๊หรือว่าสุขอันนี้เกิดจากสมถภาวิปัสนาทุกอันนี้เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสใช่ไหมหรือว่าทุกเกิดจากสมถภาวิปัสนาอุเบคาอันนี้เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นใช่ไหมหรือว่าเกิดจากสมถภาวิปัสนาก็มาแยกแยะในลักษณะนี้นี่อย่างหนึ่งนะครับการเจริญเวทนานุปัสนาอีกอย่างหนึ่งก็คือ ว่าการพิจารณาสุขโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะครับทุกเหมือนกับลูกสอนอนทุกขมสุขก็เป็นของที่แปรปรวนไปเป็นของที่ไม่ น, นะไม่จรังยั่งยืนนะครับนั่นก็พิจารณาแบบนั้นก็ได้ถ้าจะเจริญเวทนานุปัสนาอย่างอย่างเราเนี่ยที่ได้ทรา ม, มาคือพัรษาครั้งหนึ่งก็จะเกิดเวลาเวทนาครั้งหนึ่งจะเป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามอเบคาก็ตามครับ ทีนี้าการที่เราจะามีสติในการที่จะเริ่สติปัฏฐานเนี่ย เ, เราเราเราเราคิดว่าเวทนาเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุปัจจัยอย่างนั้นหรือว่าเราต้องเอลือกรู้สภาพของเวทนาว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยังไงอะไรเป็น้นแล้วลึกรู้ยังไงครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนะี่ยก็เมื่อกี้ไงที่บอกว่าที่เห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงครับ ถ้าหาว่าจะเจริญเวทนานุปสนาก็ในชั้นต้นก็หมั่นพิจารณาถึงเวทนาในทวารทั้ง6นะครับเช่นเวทนาที่เกิดจากทางตาเนี่ยอย่างหนึ่งเวทนาที่เกิดจากทางหูนี่ก็อย่างหนึ่งเวทนาที่เกิดจากทางจมูกเนี่ ย, ยอย่างหนึ่งเวทนาที่เกิดจากทางลิ้นนี่ยๆๆนอย่างหนึ่งเวทนาที่เกิดจากทางกายนี่อย่างหนึ่งเวทนาที่เกิดจากทางใจนี่อย่างหนึ่งเวทนาเหล่านี้นี่นะครับโดยพระองค์ตรัสว่าเรียกว่าจากขูสัมผัสสชาเวทนา เวทนาที่มีจักขูสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาอย่างหนึ่งเรียกว่าโสตสัมผัสชาเวทนาเวทนาที่มีโสตสัมผัสเป็นปัจจัยคานาสัมผัสชาเวทนาเวทนาที่มีคานาสัมผัสเป็นปัจจัยชิวหาสัมผัสชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยนะครับกายะสัมผัสชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากกายสัมผัสเป็นปัจจัย มโนสัมผัสชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสเป็นปัจจัยทีนี้จกักขูสัมผัสชาเวทนาก็ยังแบ่งประเภทเป็นสุขก็มีนะครับถ้าอารมณ์นั้นน่าปรารถนาก็เป็นสุขเวทนาถ้าอารมณ์ไม่น่าปรารถนาก็เป็นทุกขเวทนานะครับถ้าอารมณ์เป็นมัชชะตะเป็นอารมณ์ทั่วๆไปก็เป็ น, อ, นอุเบขาเวทนานะโสตสัมผสัสชาเวทนาก็มีสอีกนะครับคือถ้าเสียงที่น่าปรารถนาก็เป็น สุขเวทนาเสียงที่ไม่น่าปรารถนาก็เป็นนะ yes, ทุกขเวทนาเสียงธรรมดาทั่วๆไปก็เป็นอุเบขาเวทนาขาน่สัมผัสชาก็เหมือนกันนะครับขาน่สัมผัสชาเวทนาถ้ากลิ่นที่น่าปรารถนาก็โดยมากก็สุขเวทนากลิ่นที่ไม่น่าปรารถนาโดยมากก็เป็นทุกขเวทนาถ้ากลิ่นทั่วๆไปก็เป็นอุเบขาเวทนาทางลิลนก็เหมือนกันนะครับถ้าได้รับรสอาหารที่ตั้งแห่งความดีใจเนี่ยนะโดยมากก็เป็นสุขเวทนา นะครับถ้าหากอาหารที่ไม่ได้ถูกลิ้นแล้วเลยนะครับเผ็ดเกินไปเค็มเกินไปเป็นต้นเนี่ยนะอะไรที่มันเกินเกินไปแบบที่เราไม่ชอบอ่ะนะอันนั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานะครับสัมผัสอาหารธรรมดาที่เราไม่เคยสนใจนะอันนั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเวทนาทางกายก็เหมือนกันนะครับถ้าได้อุ่นพอดีเย็นพอดีร้อนพอดีเป็นต้นเนี่ยที่เราแบบชอบใจอันนั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนา ถ้าหากว่ามันเกินไปนะร้อนเกินไปเย็นเกินไ ป, นนไปแบบที่เราไม่ชอบอ่ะนะอันนั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาถ้าเป็นทั่วๆไปก็เป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเวทนาคําว่าเวทนาเหล่านี้ไม่ใช่เวทนาที่เกิดร่วมกับทวิปัญจนะแต่หมายจะหมายเอาแม้กระทั่งเวทนาที่เกิดในชวนะหลังจากนั้นทั้งในปัญจทวารวิถีด้วยทั้งในมโนทวารวิถีด้วยก็ถือว่าเป็นความรู้สึกหรือเป็นเวทนาที่ ที่เกิดจากจักรคู่สัมผัสเป็นต้นนั่นเอง เ, อเพราะว่าพระองค์นั้นแสดงว่าจักรคู่สัมผัสเวสชาเวทนาเนี่ยนะหรือว่าเวทนาที่เกิดจากจักรคู่สัมผัสเป็นปัจจัยเนี่ยนะครับบางอย่างก็เป็นกามาวจรนะบางอย่างก็เป็นรูปาวจรบางอย่างก็เป็นอรูปาวจรบางอย่างก็เป็นอปริยาปณะเนี่ยนะโลกุตระธรรมเพราะฉะนั้นไม่ใช่ขับเน้นเฉพาะเวทนาในขณะเห็นเท่านั้นหลังจากเห็นไปแล้วด้วยนะครับ หลังจากนั้นไปด้วยหลังจากนั้นทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวทนาในเวทนาขันเนี่ยนะชื่อว่าเวทนาเนี่ยนะเวทนาหนึ่งก็มีเวทนา2เวทนาสาเป็นต้นนะครับก็จะมีแสดงหลายในเมื่อกนะครับแต่ทีนี้เนื่องจากเราไม่ค่อยเพ่งรายละเอียดที่ลึกซึ้งก็จะเอาเฉพาะเวทนาที่ในจากขวิญญาณเป็นต้นก็จะคิดแบบแคบๆ แ, แบบเรานะครับไม่นึกถึงผลพวงของการเห็นนั้นๆเลยว่าการเห็นครั้งนี้มีผลพวงต่อความรู้สึกนึกคิดอย่างไรต่อไป การได้ยินครั้งนี้เป็นผลพวงแห่งความรู้สึกนึกคิดในระยะยาวอย่างไรเป็นต้นต่อไปมันก็ต้องวิเคราะห์ทั้งหมดนะครับจึงจะเรียกว่ากําหนดรู้ภาษะอันเป็นที่ตั้งแห่งแห่งเวทนาจริงๆนะครับทีนี้อันนี้เรว่าการพิจารณาในเบื้องต้นพร้อมทั้งปัจจัยก่อนใช่ไหมทีนี้บอกเออภาษะเหล่านี้เนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาแล้วภาษะเหล่านี้เนี่ยเกิดจากอะไรภาษาก็มีสลายตนะนั่นแหละเป็นปัจจัย สลายยตนาคือจักระสัมผัสนะคือตัวจักขะนั่นแหละเป็นปัจจัยแห่งผัสสะเน้นที่ตานั่นแหละเน้นที่หูจมูกเล่นกายใจนั่นแหละเป็นปัจจัยแห่งผัสสะนั้นๆทีนี้ไอสลายยตนาเหล่านี้มีอะไรเป็นปัจจัยก็มีนามรูปเป็นปัจจัยนามรูปอะมีวิญญาณเป็นปัจจัยวิญญาณเนี่ยมีอะไรเป็นปัจจัยก็มีสังขารเป็นปัจจัยสังขารก็มีอวิชาเป็นปัจจัยเพราะ hi, them, ชีวิตที่ดําเนินไปในสังสารทุกเหล่านี้ก็ดําเนินไปด้วยอํานาจแห่ง อวิชชาว่าอาวิชชานั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมีสังขารนะครับก็ทํากรรมเพื่อให้มีวิญญาณนามรูปสลายตนะภาษะเวทนาอย่างตอนนี้เพราะฉะนั้นภาษะเหล่านี้นี่นะครับถ้าหากว่าบุคคลไม่เพียนเพ่งวิเคราะห์ก็จะเท่ากับไม่ได้กาหนดรู้เวทนาเมื่อไม่กําหนดรู้เวทนาตันหาก็อาศัยเวทนาเหล่านี้นี่แหละเกิดขึ้นถ้าสุขเวทนาโดยมากก็โลภะต่อถ้าทุกขเวทนาโดยมากก็โทสะถ้าอุเบคาเวทนาก็โมหะก็เป็นไป นันชีวิตที่ดําเนินไปในสังสารทุกข์ก็เป็นไปในลักษณะนี้นะครับนั้นการพิจารณาในลักษณะนี้ให้มั่นคงก่อนให้มั่นคงก่อนเมื่อมั่นคงแล้วนะเอ๊ถ้าหากว่าภาษาไม่มีเวทนาเหล่านั้นก็ก็ไม่มีนะครับการใคร่ครวญอย่างนี้เนี่ยนะเริ่มเป็นตรีรณปริญญานะครับเริ่มเป็นตรีรณปริญญาที่กล่าวก่อนหน้านี้เป็นยาตะปริญญานี่นะครับกําหนดรู้เวทนาพร้อมทั้งปัจจัย